ธาตุมตโกนิสัตโตนิชีโวสนโยสิ่งเหล่านี้นี่สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์อันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาใบบูญพระพี่กุลโนในตัวาการเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเรามาฝึกทำรรมสมาธิกันสักครู่หนึ่ง ตัมฝังสักประมาณหกสินาทีปฏิบัติทำสมาธิร่วมกันไปในวันนี้เราจะนําบทในการพิจารณาปัจจัยสี่ให้เห็นถึงความเป็นาธาตุให้เห็นถึงความเป็นปฏิกูลให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนบทนี้ตั้มฝังหลายท่านก็สวดได้ในเวลาทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นนั่นคือ ธาตุพฤติลปั จ, จเวคขณะขาถาก่อนที่เราจะไปทำการพิจารณาให้ถึงความเข้าใจเรามาทำจิตให้สงบด้วยการตั้งสติกันซะก่อนเริ่มต้นโดยการที่เรามาระลึกถึงมาเห็นลมหายใจของเรากต็มฟังก่อนหน้า น, นี้เราอาจจะทำสิ่งอะไรมาบ้าง ไม่ว่าจะเจอผู้คนเดินทางเข้าห้องน้ํานั่งยืนเดินอะไรก็ตามตอนนี้เรามาอยู่นิ่งๆเงียบๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งตั้งสติขึ้นทุกฝั่งตั้งสติขึ้นทําอะไรมาอย่างไงเราไม่ว่าเริ่มบาดมาแล้วตอนนี้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนจีบเราที่มันนั่นนี่โน่นมาตอนนี้ให้มาจดจอ่อตั้งใจสังเกตจดจงดูเพ่งใส่ใจมานะที่ตำแหน่งนี้รู้สึกถึงสัมผัสของลม ด้านในโปรงจมูกรับรู้สัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามาจ่อไว้ดูสังเกตเพ่งณนะที่ตำแหน่งนั้นภุรบาชาจารย์ก็จะใช้คำากำหนดดูกำหนดขึ้นกำหนดลงไปกำหนดดูนี่คือไม่ต้องตามลมดูเฉยเฉยไม่ต้องบังคับลม คือเมื่อหายใจเข้าหาย ใ, ใ, ใจออกแรงๆสักสอสามครั้งแล้วพอให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติปกติธรรมดาร่างกายของเราก็จะปรับปริมาณอากาศที่ต้องการโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอยู่ที่ว่าทำกิจกรรมอะไรสภาวะจิตใจเป็นอย่างไรตอนนี้ให้เราทำใจให้สบายๆให้เราทำกายให้ relax คือผ่อนคลายหมายความว่าไม่ต้องเกรงคือไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังขือ ว, วดคิ้วเกรงหน้าแต่ให้ปล่อยไหลคอหลังใบหน้าอย่างสบายสบายที่ให้ทําใจให้สบายหมายถึงไม่ต้องพยายามจะบังคับความคิดว่าเราต้องคิดหรือต้องไม่คิด คือบางทีมันก็คิดนะ่ะบางทีมันก็ไม่คิดนะ่ะก็ธรรมดาน่ะก็ธรรมชาติหเหมือนบางทีเราถ้ามีเสียงเราก็ได้ยินเสียงถ้ามีกลิ่นเราก็ได้กลิ่นใช่ไหมละ่ะก็้ามันมีความคิดเราก็รับรู้ความคิดได้คือเราไม่ต้องไปบังคับไงเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นที่เราจะไปบังคับ ม, มันมีหรือมันไม่มีก็ไม่ได้ถ้ามันมีแหล่งกาเนิดเสียงมีแหล่งกาเนิดกลิ่น กลิ่นเสียงก็มีมาเหมือนกันถ้าความคิดมันมีเหตุมามันก็เกิดขึ้นนะเราก็รับรู้ความคิดนะที่ปูรนี่คือไม่ต้องบังคับเอย่าเกรง็งทําให้สบายๆทั้งทางกายและทางใจให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องกลัวว่าจะทําผิดหรือจะทําถูกอย่างไรแหมายุณเรามันโตมันจนถึงป่านนี้เนี่ยมันจะไม่หายใจไม่เป็นหรือ มันก็ต้องหายใจเป็นกันอยู่แล้วถูกปถึงมีชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้คือเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคลอดออกจากท้องแม่มาถ้าหายใจไม่ได้นหมอเขาฟาดเลยฟาดกลนก่อนแล้วเพื่อให้กระตุ้นการหายใจหรือไม่กระทั่งรูปรังนิดหน่อยถ้าไม่รู้จักการหายใจมันไม่ได้จะอยู่มาจนถึงป่านนี้เรกตุองฟังคนนอนมันหายใจเป็นกันทุกคนให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดา ผ่อนกลายตอนนี้เรามาฝึกจิตนะตอนนี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจหายใจนี่เราหายใจกันได้อยู่แล้วในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติฉันจึงเรียมว่าเป็นอาณาปานาสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ต้องบังคับลมหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดา ที่จะฝึกได้นั้นไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งด้านในโปร่งจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ครั้งแรกเมื่อตะกี้นะ่ะถ้าเผื่อว่าหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วสัมผัสนั้นมันอาจจะเบาบางลงอาจจะน้อยลงไม่เป็นไรแค่ตั้งไว้อยู่นะ ที่จุดเดิมเท่านั้นก็พอสังเกตดูโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นจุดที่เราได้รับรู้กลิ่นนั่นแหละกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นพอมันเข้ามาอยู่ในโพรงจมูกเราแล้วส่วนที่มีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนตรงจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่รับกลิ่นนี่แหละให้เราตั้งจิตตั้งสติกรอไว้นะที่ตำแหน่งนี้ คำว่าตั้งจิตตั้งสตินั้นหมายถึงเวลาที่เรามานึกถึงเวลาที่เราเอาใจมาจดจอ่อสติแปลว่าการระลึกได้เวลาเรามาตั้งจิตตั้งจิตหมายถึงแทนที่จใจจิตมันไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นเพลินไปหรือตามความคิดนึกเอาจิตมาไว้นะที่ตำแหน่งนี้ จิตเนี่ยนะเป็นน้ำนะทุกบุฟังนะมันเป็นน้ำมันไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันตามเสียงใบก็คิดนึกปรุงแต่งว่าเสียงนี้มาจากไหนพูดภาษาอะไรเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีหรือถ้าตามความคิดมันก็จะคิดเรื่องโน้นถ้าคิดถึงเรื่องดาวอังคารมันก็ไปนู่นเลยดาวอังคารถ้าคิดถึงเรื่องนรกจิตมันก็ไปนู่นเลยในนรก คิดถึงเรื่องสวรรค์จิตมันก็ไปสวรรค์ลเลยมันไปเลยเพราะมันเป็นนมำไงมันไม่ต้องอาศัยที่อาศัยทางอะไรทั้งนั้นด้วยความที่มันเป็นนามมันจึงไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่แทนที่เราให้มันไปทั่วไปหมดหมายหมายหมายให้มันมาตั้งอยู่นะที่ตำแหน่งนี้เรียกว่าตั้งจิตขึ้นเป็นฐานที่ตั้งของจิต เป็นสติประฐานได้อาณาปานสติคือการมาระลึกถึงลมหายใจกิริยบุฟังคืออาการอาการที่จิตของเราแทนที่จะไปที่นั่นที่นี่ที่โ น, น่นแต่ให้มันมาอยู่ที่นี่อาการที่มันมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคือการระลึกได้ใครนะจิตไงถึงถึงอะไรลมไง ระลึกถึงลมได้นั่นคือจิตมีสติอีกทีหนึ่งนะจิตนี้นั่นแหละแทนที่จะเล่นไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นใหม่ๆมให้มันมานึกถึงลมที่ไหนที่นี่กายใจรูปนามมันจึงมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ ตรงจุดที่มีการรับรู้ถึงสมบัติของลมนั่นเองการรับรู้ในตัวฝังเขาจึงเรียกเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและใจการรับรู้คือวิญญาณนี่แหละตัวฝังเขาจึงเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนามกายก็คือรูปไงใจก็คือน้ำกายใจก็คือรูปน้ำใจกายก็คือ นามรูปรูปนามนามรูปเชื่อมกันอยู่ด้วยการรับรู้คือวิญญาณตรงไหนตรงนี้ที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมได้นั่นแหละเอาตรงนั้นเป็นช่องเป็นประตูทางออกเนี่ยทีมันอยู่ใกล้ๆนี่มันอยู่ใต้จมูกเราเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้ป่านนี้มันดีเรามองเลยไป มองไม่เห็นนะส่งจิตเพ่งงอกนอกอยู่เรื่อยเดี๋ยวส่งจิตไปตามเรื่องคนนี่คนนอนอดีตบัางอนาคตเรื่องงานเรื่องครอบครัวอ้าวหยุดๆพูดไปแล้วนี่มันไปเรื่อยนะเพราะมันเป็นลักษณะเพลินไปมันไม่จบเรื่องกันน้านี้อยุดแทนที่จะตั้งจิตไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโ น, น้นเรื่องคนอื่นนั่นโ น, น้น ให้เรามาคิดถึงเรื่องนี้ตั้งจิตไว้ที่นี่คือที่โปรงจมูกของเราการที่เราระลึกได้นะจุดที่ลมหายใจมารับรู้นี้นั้นการระลึกได้นั้นคือสติท่านจึงเรียกว่าเป็นอาณาปานาสติล้วน์นัทวังเวลาที่เราตรึกตรึกคิดนึกไปใน เ, เรื่องใดๆมากนี่ จิตของเราจะน้อมไปทางนั้นทางนั้นแล้วถ้าเรานะไม่ได้ตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆใช่ปะจิตมันก็ไม่น้อมไปทางนั้นนะอันนี้มันเรื่อง common sense นะทังเป็นเปนเรื่องสามัญสำนึกนเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วออกจากคนเขาคิดย้ำอยู่เรื่อยย้ำคิดย้ำทำอยู่เรื่องเดียวนี่มันทีเป็นประสาได้นะ คือเป็นอาการซึมเศร้าได้ย้ำคิดย้ำทำเป็นอาการทางจงิตประสาทอย่างหนึง่งเพราะมันย้ำคิดย้ำทำมากไงมันจึงคิดอยู่เรื่องเดียวคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยแล้วก็เครียดตึงนั่นก็เพราะว่าเราให้กำลังกับสิ่งนั้นมากตรึตรึกทางไหนจิตน้อมไปทางนั้นเครียดอยู่กับเรื่องเดียวแล้วในทา ง, งการที่จิตของเราใส่ใจหรือเคลื่อนไปทางไหน สิ่งนั้นมีพลังอำนาจขึ้นมาเหนือจิตทันทีเพราะว่าจิตให้กำลังกับมันไงโดยการคิดถึงมันบ่อยๆคนย้ำคิดย้ำทำจึงมีปัญหาทางสุขภาพจิตทําไมคุณไม่คิดเรื่องอื่นได้บ้างละ่ะทําไมต้องคิดเรื่องนี้อย่างเดียวจะไม่คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเหรอมันอะไรงงๆรนฝันในที่นี้เราจึงตั้งใจขึ้น เพื่อให้แทนที่จะไปตริตรึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนซึ่งเรื่องอะไรก็ตามนะทุกฝังนะที่เราไปคิดนึกถึงมันแล้วเนี่ยความคิดนึกต่างๆมันจะมีอารมณ์ที่มากับเรื่องนั้นด้วยเสมอแต่ในว่าเป็นอิโมชันัลแบ็คเเกชคือเป็นผงแห่งอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับความคิดนั้นๆนั่นแต่เราคิดถึงบุคคลนี้ เราบุคคล น, นี้เขามักจะทำไม่ดีอยู่เรื่อยใช่ปะเวลาเราคิดถึงบุคคล น, นี้แล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่ไม่ดีที่ติดมากับความคิดถึงบุคคล น, นั้นด้วยเสมอตามแต่อุปนิสัยตามแต่ความเคยชินที่เราได้สัมผัสกับบุคคล น, นั้นมาเช่นแต่กู่ครางของเร า, เรามันเคยไปมีกิ๊กมีกุ๊กมีก๊กเอเวลาที่เราคิดถึงกู่คราง อารมณ์กังวลใจไม่แว้วางใจความเครียดก็จะตามมาทันทีเพราะมีความเคยชินได้เคยคิดกับบุคคลแบบนี้มาเป็นอย่างนี้ดังนั้นแทนที่เราจะคิดถึงคนนั่นคนนี้คนโน้นเรื่องสิ่งนี้หม่ยมายมายเรามาคิดถึงลมมานึกถึงระลึกถึงลมหายใจคิดถึงนึกถึงตรึกตรึกมาแล้ว จิตน้อมมาทางนี้สติจึงมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานสติทำไมนะเพราะเราตรีตรึกเรื่องลมไงตรีตรึกทางไหนจิตน้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังความระลึกได้ตริตรึกได้จึงเรียกว่าเป็นสติอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือ จึงเรียกว่าเป็นอาณาปานสติเรามาตั้งสติไว้อยู่กับลมการระลึกได้นั้นการเอาใจมาจดจ่อนั้นการมารับรู้นั้นต้องใช้จิตจิตแทนที่จะใส่ใจรับรู้เรื่องใดๆไม่ให้มารับรู้เรื่องลมไม่ลืมลมทีนี้ไอช่องทางการรับรู้มันไม่ได้มีช่องทางเดียว คือมันจึงไม่ได้รับรู้ลมอย่างเดียวไงมันมีหลายจุดในขณะที่เรารับรู้ลมคือเราใช้ส่วนที่เป็นกายคือสัมผัสในโพรงจมูกเราใช้ส่วนที่เป็นใจคือวิญญาณด้วยแต่ว่าการรับรู้นั้นมันเกิดขึ้นได้หลายทางทันเปรียบเทียบเหมือนกับไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงก็ได้ ไฟเกิดจากไม้สักก็ได้ไม้มะขามก็ได้ไม้กนุนก็ได้เอาเกิดเปลวไฟได้เหมือนกันเช่นเดียวกันว่าวิญญาณเปรียบกับไฟที่มีเชื้อคือทางกายก็ได้ถ้าหูได้ยินเสียงมันก็เกิดการรับรู้ทางหูได้ถ้าจมูกได้กลิ่นก็มีการรับรู้ทางจมูกทางใจถ้ามีธรมารม ก็มีการรับรู้ทางใจเหมือนกันอย่างเช่นท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคารเจ้าอยู่นี่เพราะเพราะมีแหล่งกําเนิดเสียงเราจึงได้ยินเสียงเสียงคนพูดบ้างเสียงรถเสียงแพ ก, กราอะไรก็ตามหรือถ้ามีกลิ่นแหล่งกําเนิดมาจรมีจมูกเราก็จะได้รับรู้กลิ่นมันก็มีวิญ ญ, ญาณทางจมูกสิ่งเหล่านี้มีเชื่อเรียกของเขาทนผู้ฟังวิ ญ, ญญาณการรู้แจ้ง่างจมูกเรียกว่าการณวิญ ญ, ญาณ การรู้แจ้งทางหูรับรู้นั้นก็เรียกว่าโสตวิญญาณมีวิญญาณคือเป็นเปลวไฟเหมือนกันเพื่อจากเชื้อต่างกันการรับรู้ทางใจก็อาศัยมโนอาศัยธรรมารมจึงเรียกว่ามโนวิญญาณมีการรับรู้อื่นๆด้วยการรับรู้มีหลายช่องทางซึ่งการ ร, รู้คือวิญญาณนั้นมันก็พยายามที่จะดึงจิตของเอไปไง พระบาทจิกรนั้นไปทาหน้าที่ในการรับรู้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเสาต้นหนึ่งที่เขาเอาสัตว์หชนิดมาปูกเอาไว้สัตว์ทั้งหชนิดที่ปูกเอาไวน้นี้มันก็มีที่อยู่ที่อาศัยของมันคนละอย่างกันเอาจระเข้มาปูกไว้จระเข้ถ้นไหมันจะปีนขึ้นเสามันก็ต้องหนีลงน้ำเอานกมาปูกไว นกที่ไหนมันจะเกาะอยู่ที่เสามันก็ต้องบินขึ้นฟ้าเอางูมาผูกไว้งูที่ไหนมันจะอาศัยเสาอยู่มันก็ต้องเลื้อยเข้าจอมปลวกเข้ารูของมันเอาลิงมาผูกไว้ลิงที่ไหนมันจะยอมอยู่ที่เสามันก็ต้องหนีเข้าป่าเอาสุนัขบ้านมาปลูกไว้สุนัขบ้านที่ไหนมันจะมาอยู่กับเสามันก็ต้องไปหาเจ้ากรงของมันเอาสุนัขทิ้งจอกมาปลูกไว้ สุนัขจิงโจ้จะแนมันจะมาอยู่ที่เสาสุนัขจิมันก็ต้องหนีเข้าบาช้หากินซากศพนู่นสัตว์หชนิดที่มีที่หากินต่างกันมันไม่อยู่ร้องที่เสานะมันทาไงอะเพนเลครับรา อ, อะไรวิ่งหนีเลยไปเลยบินเลยควานเลยเลื่อยไปเลยไม่อยู่รอกแต่มันไปไม่ได้ทําไมนะมันติดเชือกอยู่ ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มมันไปไม่ได้เหมือนกันนะทุฝังนะเหมือนกันเวลาเราสังเกตลมหายใจอยู่นี่ก็เราตั้งเสาขึ้นแล้วเสาอยู่ตรงไหนนะสะติไงไม่ลืมลมคือสติลืมลมคือเผลอสติมีเครื่องมือกลมหายใจใช่ป่ะเสาก็ตั้งขึ้นเลยเสียงมีมาใช่ไหมอ่าเสียงนี่คือสุนัขบานละ เจาของมันเรียกแล้วเชือกผูกอยู่มีเสาอยู่หนึ่งคือสติไม่อยู่กับลมแล้วนะมีเสียงขึ้นปุ๊บสุนัขบ้านนี่มันดึงเลยดึงดึงดึงดึ ง, ดงถ้าไม่ลืมลมนะคือเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มดึงอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะก็ะคือไม่ลืมลมไงมันก็ไม่เผลอไม่เปลินไปตามภาษาที่หมากระทบ ผ่านทางหูนั้นอา้าวเดี๋ยวมีความคิดนึกอีกเอา้าเดี๋ยวคิดเรื่องคู่ครางบ้างคิดเรื่องงานบ้างคิดเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องลูกบ้างเรื่องการเมืองบ้างคิดไปปุ๊บอ้าวนะั่ลิงมันละ่ะลิงมันดึงละ่ะลิงมันไม่ชอบอยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาใช่ไหมมันเกายิ่งยิ่งย่ง ย, ย น, นี่ความคิดนึกมันมาละมันจะหนีเข้าป่าแล้วลิงนี่เชื่อกตึงขึ้นเลย เชือกตึงขึ้นมาทันทีทําทำไงก็ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเพราะเราไม่ลืมไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินนี่คือไม่เพลินไปตามความคิดในช่องทางใจไม่เพลินไม่เผลอไม่ลืมคือมีสติสติคือเสาและเชือกผูกไว้อยู่กับลิงพอเรามีความคิดนึกขึ้นมาลิงมันดึงแล้วเชือกตึงขึ้น มันจะวิ่งเข้าป่าเที่ยงเชี่ยงขึ้นนี่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มคือเราไม่ลืมลมนี่มันไปไม่ได้เชืฉาเลินไปตามความคิดนึกไม่ได้ดึงอยู่ก็จริงคือมีความคิดมาก็จริงแต่มันไปได้อย่างมากสุดก็สุดเชือกตึงเท่านั้นเองม้าก็มา้าเชือกตึงก็ตึงแต่ไม่ลืมลมไงคือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้ม แต่ถ้าเชื่อขาดนะเสาล้มไปแล้วใช่ปะน่ะคือลืมลมไปละลืมไปละเขาริงไปไหนนี่เข้าป่าแล้วเราก็เพลินไปตามความคิดละลืมลมหายใจละจิตเราก็จะตามความคิดไปเลยตามเรื่องอดีอนาะโคตไปเปลอไปเอาเปลอยไปแล้วทำไงพระเจนลิงเนี่ยมันแข็งแรงเหลือเกินเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชื่อขึ้นใหม่ สังเสาปลูกเชื่อนั้นก็คือสติแหับทุกฟังเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่หรือการมาระลึกถึงลมหายใจของเราหายใจระลึกสักสองสามครั้งทำไมอีกดูสติก็ตั้งขึ้นนีมันไม่ยากนะทฟังพอเราลืมปุ๊บลืมแล้วลืมแล้วเผลอแล้วปุ๊บทําไงนึกถึงลมหายใจปุ๊บมันก็กลับมาทันทีรู้ตัวว่าเราเผลอไปเมื่อไหร่นั่นสติกลับมาทันที ลืมไปตอนไหนนึกขึ้นมาอ้อลืมไปแล้วนั้นสติกลับมาทันทีตอนไหนคือตอนนั้นเลยตั้งเสาขึ้นเลยผูกเชื่อขึ้นเลยลิงกลับมาแล้วเลยทันทีเลยไม่ได้จับยากแค่หายใจลึกๆสักสองสามครั้งสติมาทันทีสติสัมปชัญญะการรับรู้ทางความคิดนึกนี่คือมันรวบรวมกันเข้ามาทันทีนึกจะว่าเป็นข้อดีก็ได้นะ คือเป็ น, ปนธรรมชาติของจิตใ น, นฟังที่ว่าเวลามันไปไหนมันจะไปดวงเดียวไปครั้งเดียวคือไปแล้วมันคือไปละเรานึกถึงได้ใหม่ดวงใหม่ก็เกิดขึ้นละความราล้วก็เกิดขึ้นแล้วทันทีตรงนั้นเลยจิตนี่ยมันไปได้ไวไปได้เร็วอย่างนี้คือจะบาเป็นข้อดีก็ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเอาธรรมชาติข้อนี้ของจิตนี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นีไง ธรรมชาติของจิตที่เป็นแบบนี้จบว่าแล้วมันจะไม่เกิดโทษก็ได้นะนย่เวลาที่จิตคนนั้นมันเพลินไปตามความคิดมันเร็วปุ๊บปับ๊บจิปาถะคิดเรื่องนั้นแล้วก็พวดด่าคนใบบ้างพูดไม่ดีไป บ, บ้างคือมันเร็วไวไงแต่ท่านเอาธรรมชาติที่มันไวมันเร็วแบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกแบบสติปฐานสีขึ้นนี่แหละ ใช้ลมหายใจหายใจลึกๆสักสองสามครั้งปุ๊บจิตของเราระลึกได้ทันทีลิงกลับมาอยู่ที่เสาหูกเชื่อกขึ้นทันทีจิตสติลม้มอยู่ด้วยกันนี่เชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มจ ด, ดจออไว้ตั้งสติให้ดีเวลามันจะมารุมมาตุ้มหูกรวมกันหลายอย่างนี่ ความคิดหนึ่งมันก็ทุกอย่างมาสู่ใจนี่แหละแต่ท่านแยกให้เป็นเส้นๆไว้แล้วไม่ได้มัดรวมกันมั่วๆสั่วๆแยกเป็นสายเส้นแห่งการรับรู้ตามช่องทางมาเดี๋ยวๆสุนัขชิงจอบมาแล้บ้างกลิ่นเนมมาแล้วกลิ่นคนข้างๆบ้างกลิ่นเพื่อนบ้านทาอาหารบ้างกลิ่นดอกไม้ของหอมของเหม็นอะไรนี้บืองทีมันมีมา ถือว่ากลิ่นตัวเราเองนี่ก็ด้วยแล้วมีกลิ่นมากระตบจมูกแล้วสุนัขจิงจอกมันกดึงขึ้นแล้วจะวิ่งเข้าหาป่าชา้าได้กลิ่นซากศพแล้วมันก็วิ่งไปแต่มันวิ่งไปเนี่ยถ้าเชือกไม่คาซ่าไม่ล้มเชือกตึงขึ้นเฉยเฉยมันไปไม่ได้นั่นคือพอเราได้กลิ่นแล้วเราไม่ลืมหลม ấy. ได้กลิ่นอะไรอยู่ก็าตามเราไม่ลืมหลม เพราะถ้าลืมลมเมื่ อ, อไหร่นั่นคือเชื่อการแล้วเสาลมแล้วเลืนไปตามกลิ่นนั้นแล้วสุนัขจึงจอกหนีไปได้แล้วทำยังไงนึกถึงลมไม้เชื่อมันก็กลับมาปลูกใหม่เสาก็กลับมาตั้งใหม่ทันทีไม่ลืมนะไม่ลืมไม่เบลอไม่ลืมไม่เปลอนั่นคือสติลมหายใจของเราเนี่ยดวงวังมันมีอยู่แล้วใช่มละ่ะ ต่อให้เราลืมไปยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่ตายเพราะลมหายใจมันไม่ได้หายไปเรื่องหายใจอยู่แต่เพียงแค่ลืมไปไงแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจที่มีอยู่ของมันเดิมนั่นแหละแต่เราไม่ลืมลมลมหายใจมันาจจะสั้นจะยาวจะเร็วจะช้าจะร้อนจะเย็นจะตีจะหา่างมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว จุดที่มันไม่ลืมคือมีการระลึกได้อยู่กับลมสัมผัสมันอาจจะน้อยมากเอาตำแหน่งเดิมนั่นแหละที่รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ก่อนหน้านี้เอาสติเอาจิตรามมาตั้งไว้อยู่นะที่ตำแหน่งนี้เป็นเสาเกอนเสาหลักที่จะผูกสัตว์หกชนิดต่อให้มีกำลังมากขนาดไหนมาทางหูมาทางตามาทางใจ ถ้าเสาเป็นเสาหลักอย่างมั่นคงนะคือสติมีกำลังนี่ภาษาอะไรมากระทบจะทาให้เพลินไปสะดุ้งไปสะเทินไปไม่ได้เราสตินั้นเป็นทักษะตรรมฝังาหาศัยการฝึกฝนเข้มแข็งขึ้นได้ฮอนกำลังลงก็ได้ตามแต่กำลังการฝึกฝนการบ่มการลงมือทำบางคนมีกำลังสติมาก แต่ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำต่อเนื่องมันก็อ่อนกาลังลงได้ตัวอย่างพิกษุในสมัยพุทธการลหลายรูปโอ้ตอนฟังธรรมะพระพุเจ้านี่โอ้กำลังใจสูงฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วออกบวชออกบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมดี ด, ดีจิตเป็นสมาธิไม่มีปะนะัญหาแต่พอไปออกปิณะบาทบางเมืองบางที่เห็นสตรีนุ่งชั่วหม่มชั่วหน่อย เกิดบ่าคิดถึงเรื่องในครัวเรือนการครองชีพต่างๆมารดาบิดากู่ครองแฟนอะไรเหล่านี้ห้าม ว, วุ่นวายแล้คุณวายละฟุงฟ้งซ่านละฟุ้งซ่านละสติสมาธิเมริกี้มันหายไปไหนมันเสื่อมแล้วมันอ่อนกําลังลงมันหายไปเมื่อก่อนไม่มีมาพอมาฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วเกิดขึ้นต่อไปมันก็หายได้ที่มันไม่มีอยู่ เราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นก็ทำได้การที่เราเอาจิตเรามาตรึกตรึกใส่ใจลงไปในเรื่องไหนๆอยู่มากๆในตท่านฟังสิ่งนั้นจะมีกำลังมีพลังขึ้นบางทีเราก็อาศัยพลังจากคนอื่นในที่นี้คือพระพุทธเจ้าฝังเทศน์มาโอ้วยาอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือพุทโธอาศัยกำลังจากครูบาอาจารย์บ้างจากผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆทั่วไปบ้าง นั่นคือสังโคคือหมูหมูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติเจอะเราเห็นบุคคลเหล่านั้นทำความดีแล้วเราก็มีชัยชื่นขึ้นมาคือว่าโอเคฉันต้องทำบ้างอาศัยมูช่วยทรงไดื่อหมูทำให้เกิดกำลังใจทำไปสติก็ตั้งขึ้นมีกำลังขึ้นมาเวลาที่สติมีกำลังคือเชือกไม่ขาดสอไม่ล้ม แล้วถ้ามีภาษาใดๆมาเจนความคิดนึกเอาลิงดึงขึ้นแล้วมีเสียงมาเอาสุนัขบ้านดึงขึ้นแล้วกลิีนมีมาเอานั้นสุนัขกิงจอกดึงขึ้นเดี๋ยวคันตรงนั้นตรงนี้เอางูงูนี่งูมันดึงขึ้นแล้วลืมตาเห็นภาพนั่นนี่โน่นอนกนี่มันบินขึ้นแล้วเอาอะไรใส่ปากดูชิมลิ้มรสเอาเจระเข้มันคานขึ้นมาแล้ว สตวเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีกําลังวางชาไม่จํากัดนะมันก็มีข้อจํากัดของมันสุนัขจิ้งจอกมันดึงขึ้นบ่อยๆด้วยเมันก็เหนื่อยลิงก็ไม่เชื่อว่ามันจะอยู่นิ่งไม่ได้ตลอดมันเหนื่อยมันก็ต้องนิ่งของมันบ้างแหละงูก็ด้วยงูก็ด้วยพอมันหมดแรงแล้วมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักนั่นแหละมันก็จะมีเวลาให้จีองเราเนี่มันได้สงบบ้าง ให้เสาเนี่ยไม่ต้องได้รับแรงดึงบางจังหวะที่เสาไม่ได้รับแรงดึงนี่แหละทุกองคคือมันสงบลงแล้วพอเราตั้งสติขึ้นไม่ลืมลมความคิดนึกอะไรตา่างมันระ ง, งับลงจิตเราก็จะมีความสงบลงระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนถึงความเป็นอารมณ์เดียว ระงับลงด้วยสติที่ตั้งขึ้นระงับลงเพราะไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเปลือเปลนไปตามสิ่งนั้นเราไม่ลืมลมพอไม่เปลินไม่เปลือจิตไม่เคลื่อนไปตามทางนั้นจิตไม่เคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังสิ่งไหนอ่อนกำลังจิตไม่ไปทางนั้นจิตก็มาอยู่กับสติ สติจึงเป็นตัวทำให้จิตนั้นเป็นอารมณ์ันเดียวไงท่านผู้ฟังเกิดเป็นสมาธิขึ้นเกิดเป็นอารมณ์ันเดียวขึ้นสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะสมาธินี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงนะสมาธิไม่ใช่ว่าไม่เห็นภาพนะผัสสะมันกูกันอยู่ตรงไหนอยู่กับเสาบางทียังไงไมันก็เห็นภาพได้ยินเสียงมีหูแต่จิตไม่เผลอเพลไปตามสิ่งนั้น ระงับลงได้ด้วยสติที่ตั้งขึ้นใช้อะไรเป็นเครื่องมืออีกทีนึง น, นะลมหายใจทำฝันแต่ไม่เป็นธรรมาชาติไม่ตรงเกรงไม่องบังคับเรามาฝึกจิตฝึกให้มีกำลังฝึกให้จิตนั้นนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาจะกินข้าวพูดคุยเดินทางคิดงานมีลมหายใจอยู่แล้วอ่ะ ให้มีสติอยู่กับลมให้ได้ตลอดตั้งสติไว้อย่างนั้นจิตขอราจะเป็นสมาธิเราจะเผลอไปบ้างลืมไปบ้างไม่เป็นไรหายใจลึกๆสักสองสามครั้งเดี๋ยวมันกลับมาได้อีกใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของจิตที่มันไปไว้ไปเร็วให้เกิดประโยชน์ในการสั่งสมบุญคือสติในข้อนี้ให้ได้ ให้ใช้ธรรมชาติของจิตให้เป็นประโยชน์จะสั่งสมบุญคือสมาธิให้เกิดขึ้นได้ยังมีต่อไปดูฝังสติทาไม้เกิดสมาธิใช่ป่ะสมาธิมันก็ต่อไปให้เกิดปัญญาด้วยปัญญาตรงไหนปัญญาก็ตรงที่เราไม่เพลินไปนั่นแหละมันเป็นปัญญาแล้วเอาก็ธรรมชาติของจิตมันมักจะเพลินไปใช่ไหมล่ะ มันจะเหมือนน้ำไหลจากที่สูงไปที่ต่ำจิตมันจะเพลินไปคล้อยไปตามอารมณ์นี่เป็นธรรมชาติของเขาปัญญาที่เราเห็นว่าโอ้ผู้นี้คือเป็นอย่างนี้ลหละเสียงภาพเราไม่ต้องคล้อยไปตามมันคือปัญญาเห็นว่าเราไม่ต้องเพลินไปตามมันนี่คือปัญญาก้อนหนึ่งนะปัญญาที่เราจะไม่ต้องตามเขาแต่ว่าฝืนธรรมชาติของจิตก็ไม่เชิงหรอก แต่ดี ว, ว่าใช้ธรรมชาติของมันให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเพราะมันจะคล้อยไปทางไหนก็ได้ล่ะอยู่ดีว่าเราให้กําลังกับฝั่งไหนถ้าเราให้กําลังกับฝั่งอารมณ์ความรู้สึกจิตมันก็คล้อยไปทางนั้นแต่เราให้กําลังกับสติมันก็อยู่กับสติสติก็ตั้งขึ้นมันไม่ใช่เป็นการฝืนธรรมชาติไม่ได้เป็นการขู่เข็นบังคับแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของจิตของเขา ซึ่งการจะใช้ประโยชน์นี้ได้ต้องอาศัยการฝึกเป็นทักษะฝึกสติให้เป็นสมาธิฝึกสมาธิให้เป็นปัญญาการฝึกสมาธิให้เป็นปัญญาด้วยการพิจารณาตามแนวไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้นะคือบางคนใช้สมาธิไ ป, ปนในการคิดงานที่โรงงานบ้างที่บ้านบ้างทำข้อสอบบ้างใช้ในการพูดบ้าง นั่นคือเป็นไปตามแนวที่ใช้ในชีวิตประจำวั น, นก็ใช้ได้ไมีเวนาปัญญาแบบนี้หรือว่าเป็นปัญญาโลคิยะที่ยังใช้อยู่กับในโลกเกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องอาสวะเกี่ยวข้องกับของหนักอยู่ให้เกิดความยึดถือได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆได้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นคำพูดสวยหรูได้ได้หมดไม่มีปัญหา ญ, ญาโรคิยะทำได้ใช้ได้กระทำไปใช้ไปแต่ถ้าจะให้เกิดปัญญาที่เป็นโล ก, กุตระคือปัญญาที่จะทำให้เข้าสู่นิพพานนี่ให้รู้อริยสัจสีปัญญาที่จะเกิดการหลุดพ้นต้องพิจารณามาตามแนวของอริยสัจสีตามแนวของอริยมรรคมืม่มงแปดตามแนวทางคําสอน ที่มันก็จะมารวมลงในเรื่องของมรรคแนี่แหละเรื่องอริยสัจสีนี่แหละไม่หนีไปจากนี้เราคิดยังไงคิดดังนี้เลยว่าถ้าอะไรก็ตามที่เรารับรู้ทางกายหมายถึงได้ยินผ่านทางหูเห็นผ่านทางตาลินผ่านท้งจมูกทุกอย่างรับรู้แล้ว ให้เห็นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งอะไรต่างๆก็ตามนะทุกฝั่งที่มาตามอายตนาทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นขายและใจนี่ถ้าเราเจาะจงลงมาในเรื่องของกายมันก็คือเรื่องปัจจัย4ี่นี่แหละก็เรื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาแก้ไข เรืหนุ่มนี้ก็ต้องเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยกายใช้2องอิทะนี้อาหารก็สัมผัสด้วยลิ้นดูโดยตาใช้สองอตทะนี้เสนาสนะก็สัมผัสด้วยตาบ้างสัมผัสด้วยกายบ้างบางที่ก็มีเสียงมาประกอบด้วยก็ดูโดยสามอิทธิะนี้จะเป็นญารักษาโรคคุณก็ต้องรับรู้ได้ด้วยลิ้นด้วยกายด้วยตาก็เป็น3ามสอิทธิะนี้ การที่อายตนะรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็แปลความหมายว่าอ๋อนี่คือปัจจัยสี่นะทั้งหมดนี้นนั่นนะ่ะมันคือเป็นตามธรรมชาติของมันที่มันเป็นอยู่แล้วอย่างนี้คำว่าอย่างนี้แต้สังเกตให้ชัดนี่ดูอย่างเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้านะถ้าผ้านี้ทาจากผ้าลินินผ้า ค, คอตตอนหรือผ้าฝ้ายอย่างดีอะไรก็ตาม มาเปรียบเทียบกันกับผ้าห่วยๆผ้ากระสอบป่านผ้าเปลือกไม้ไม่ว่าจะแบบไหนมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แบบนี้แหละคือถ้าไม่ได้เข้าใจแบบนี้มันก็จะไปตามลักษณะของราคาเออเอาว่าผ้าปืนนี้ราคาสูงผ้าปืนนี้ราคาถูกผ้าปืนนี้อย่าผ้าปืนนี้ละเอียดผ้าปืนนี้สีสวยผ้าปืนนี้สีไม่สวย ถ้าจะบอกวมันไปตามเนื้อผ่ามันไม่ใช่ปะ่ะมันไปตามคนที่กําหนดขึ้นมานั่นแหละคนมันก็กําหนดขึ้นมาว่าอันนี้ราคานี้นะเราก็กําหนดขึ้นมาว่าอันนี้คื อ, อยาวันนี้นี่คือละเอียดนะนี่เป็นสีนี้นะนี่เป็นสีนั้นนะเรากําหนดขึ้นมาเฉยๆกําหนดว่านี่คือเป็นตัวตนโดยความเป็นสีเขียวนี่เป็นอัตราโดยความมีราคาสูงราคาต่ํานี่เป็นของอยาของละเอียด คนนำมันกำหนดขึ้นมาเฉยๆกาหนดขึ้นมาก็คือสมมติขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเช่นถ้าซื้อผ้าจากเมืองคาสีนะมันจะราคาแพงอาจถูกหลอกก็ได้ซื้อผ้าจากเมืองอื่นราคาถูกหน่อยอาจจะเป็นของดีก็ได้หานนี่ยิ่งดวดีคนเขารังสรร์ปรุงแต่งงันขึ้นมานี่ ว่าโอ้โหนี่อาหารหายากราคาสูงหน่อยอันนี้อาหารหาง่ายก็ราคาถูกหน่อยเขาก็ให้ดาวาไว้สองดาวบ้างสามดาวบ้างบางคนก็เอาดาวมาติดเพิ่มเป็นสี่ดาวห้าดาวสมมติขึ้นเพให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าอันนี้มันเป็นอย่างอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นแต่จริงๆแล้วนะนี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นนี่เท่นบอกว่ามันเป็น ถ้าตุมัตโกคือเป็นท่าตามธรรมชาติถ้าตุมัตเมเวตังคือมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ยะถาปัจยังคือเป็นไปตามเหตุตามปัจใจของมันอยู่แล้วมีเงื่อนไขให้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้มาถ้าเงื่อนไขปัจัจที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้หายไปดับไป มันก็อยู่ไม่ได้ต้องหายไปดับไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยนิสตโตคือไม่ได้เป็นสัตว์อะไรที่ยั่งยืนเป็นนิชีโวไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุุษบุคคลตัวตนเราเขาสุญโยคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไล่ไปติระยานให้ฟังสิ่งเหล่านี้หมายความมาก เป็นปัจจัยสีที่เราสัมผัสได้เสพอยู่เสียงภาพไรพวกนี้รับรู้ต่างๆผ่านมาแล้วเป็นธรรมชาติของเขาเป็นมาอย่างนี้เราจะรับรู้กลิ่นด้วยหูไม่ได้มันต้องรับรู้ด้วยจมูก้ามันมาตามนี้ถ้าเป็นทางกายมันก็จะประกอบด้วยตาลมมันมาผสมกันด้วยสัดส่วนแบบนี้มันก็จึงเป็นกลิ่นขึ้นมาผสมกันด้วยสัดส่วนแบบนี้นก็เป็นความร้อนเป็นความเย็น เป็นความหยาบละเอียดสัมผัสได้เห็นได้เป็นตัวตนขึ้นมาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้อยู่แล้วคือธาตุมตะโกะและแเราแยกธาตุนี้ออกไปนัุ้กฝังนะคนมนุษย์จะเป็นชายหรือหญิงสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดก็ตามนี่คนหนึ่งมันก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆใช่เปล่มองกลางนอนนี่ก็จะเห็นผิวหนัง บนผิวหนังนี่ก็จะมีขนปลายมือปลายเท้านี่ก็มีเล็บถ้ามองไปที่หน้าเห็นเขายิ้มเราก็จะเห็นฟันด้วยฟันเป็นส่วนของกระดูกที่เห็นจากภายนอกได้เท่านั้นคือมีผมขนเล็บฟันหนังนี่คือเราเห็นคนคนหนึ่งได้อยู่อย่างนี้แล้วถ้าข้างในไปอีกนะก็หุ้มหอ่อข้างในเป็นเลือดเป็นเนื้อ อวัยวะภายในต่างๆกล้ามเนื้อกระดูกเลือดพวกนี้ก็เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนเป็นโมเลกุลหลายๆโมเลกุลมาประกอบกันเป็นเซลล์หลายๆเซลล์ประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆหลายๆอวัยวะมีหัวใจมีปอดมีผิวหนังก็ประกอบขึ้นเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมา คนคนหนึ่งมีอวัยวะต่างๆเจาะลงไปดูอวัยวะนั้นก็เป็นเซลล์ประกอบกันกลุ่มของเซลล์มารวมตัวกันทำหน้าที่นี้เรียกว่าอวัยวะเจาะลงไปที่เซลล์เซลล์ประเภทนี้ก็มีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนมาจากโมเลกุลโปรตีนรวมกันเข้าอย่างนี้หลังจเราเจาะไปดูที่โมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งมันก็ประกอบด้วยไฮโดรเจน แล้วก็คาร์บอนอย่างมากมายเขาก็เรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นหลักไฮโดรเจนนี่มันอะไรนะแล้วคาร์บอนนี่มันอะไรมันก็เป็นธาตุไงธาตุไฮโดรเจนธาตุคาร์บอนส้าลงไปดูในธาตุนั้นอีกมันก็เป็นนิวเคลียสมันก็เป็นเอิเล็กตรอนข้างในก็เป็นช่องว่างเยอะแยะไปหมดช่องว่างมากกว่า 95% ที่เหลือเป็นนิวเคลียสเล็กนิดเดียวมันเป็นพวกนิวตรอนโฟตอนเจาะลงไปข้างในก็อยากเป็นควก้กบวกควก้กขวางอะไรต่อไปอีกเอาแล้วความเป็นชีวิตมันอยู่ตรงไหนเออดูตรงไ ว, ว้ว่าแล้วเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปมันก็เป็นเซลล์นี่นาเซลล์ที่ว่าทํางานหน้าที่นั้นนี้เคลื่อนไหวในเซลล์มันเป็ น, นออลายกับโมเลกุลแล้วโมเลกุลมันมีชีวิตไหมเออนั่นแหะสิ จะเขไปดูเจาะเข้าไปดูเนี่วทุวังคือเราจะไม่เห็นไงเฮ้ยแล้วชีวิตมันหายไปตอนไหนคือมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆทุกฝั่งมันเป็นสิ่งลวงตาที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันมีตัวตนนั่นเนี่ยเออออกมาดูข้างนอก เ, อเป็นตัวตนอยูอย่แต่พอเจาะเข้าไปมัน เ, เป็นช่องว่างๆเออแล้วมันยังไงเนี่ความเป็นตัวตนมันหายไปตรงไหนดูข้างนอกค่อยๆขยับได้ เดินได้บอกเซลลมีชีวิต เ, เซลล์ตายแล้วก็มีวันวันหนึ่งเซลลในร่างกายเนี่ยมันตายเป็นวันเป็นลาลานเซลแล้วทําไมเรายังไม่ตายคือมันจะงงงงไงดูวังเพราะมันซ่อนกันอยู่มันไม่ใช่ของจริงเออทาไมเป็นอย่างนี้เนาะนั่นแหะสิมันจะนั่นแหะสีขึ้นมามันจะมีเอ๊ะขึ้นมาเราถูกหลอกอยู่ตรงวังแต่จะงงงงไว้ เ, เรามัน ว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่เข้าใจว่าเป็นชีวะเนี่เข้าใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่แต่จริงๆมันนิดชีวง่ไงมันไม่ได้เป็นชีวะมันไม่ได้เป็นบุคคลตัว ต, วตนเราเกา่ารื อ, อย่างเอาไว่านี่นะถ้าเราบอกว่ามันมีชีวิตเซียมันมีชีวิตแล้วถ้าคุณทําไมเอาชีวิตของคนอื่นเข้ามาในร่างกายละ่ะเออดูยอย่างพวกจุลินทรีย์นี่ จุลินทรีย์บอก่ามันไม่ใช่ชีวิตของเราเาถ้าเราไม่มีจุลินทรียนะ์ในร่างกายของเราเราอยู่ไม่ได้นะจะย่อยอาหารจะกำจัดเชื้อโรคนี่หน้าที่จุลินทรีย์หลายๆอย่างเลยนะถ้าเราเอาสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ตัวเราคือพวกจุลินทรีย์ออกไปหมดจากร่างกายนี่โว้ยคุณอยู่ได้ไม่พอเจวันหรอกไม่ต้องเอาใจมาเอา3าวันให้มากสุดตาย เราะว่าจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในร่างกายเราเมันเป็นระบบนิวเวศที่อยู่ในร่างกายของเราอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่มันก็ต้องอาศัยจุลินทรีย์ช่วยย่อยแล้วนะไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ที่บริโภคไว้ว่าจะเป็นอาหารผักสัตว์บกสัตว์ตวตวตวน้ําพวกนี้ต้องตายหมดก่อนแล้วนะตายแล้วจึงเอาเข้าปากได้นะเอากินของที่ตายแล้วทำไมมีชีวิตขึ้นมาได้เออก็ไอ้เซลล์โมเลกุลเหล่านั้น มันไปเอาชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันมันมายังไงแต่พอสิ่งไม่มีชีวิตถูกย่อยผ่านระบบน้ํำย่อยไปตามธาตุน้ําดินไปตามธาตุดินลมไปตามธาตุลมไฟไปตามธาตุไฟไหลเวียนอยู่ในร่างกายเสริมธาตุน้ําในจุดที่ต้องการธาตุน้ําเสริมธาตุดินในจุดที่ต้องการธาตุดินเสริมธาตุไฟธาตุลมในจุดที่เขาต้องการเสริมเติมเข้าไปผ่านกระบวนการการย่อยอาหาร จึงกลายมาเป็นตัวเราให้เห็นภาพได้ให้ได้ยินเสียงได้เออทำไมมันมาจากสิ่งไม่มีชีวิตเนะก็อาหารน้ำมันตายแล้วไงล่ะใช่ปะละ่ะเอาแล้วทำไมทาให้เรามีชีวิตได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเนี่ยมันงงๆป่งงะนั่นนะสิแล้วชีวิตนี่มันจะมีไปยั่งยืนได้ไงคือมันนิสิตัวหวังมันไม่ได้เป็นตัวตนที่จะยั่งยืน อะไรที่มันมีเนะี่ยมันชั่วคราวเฉยๆที่พอจะประกอบกันอยู่ได้ชั่วระยะเวลาประมาณ100ปีไม่ได้เป็นสัสตว์ตัวตนนะมัได้เป็นตัวตนที่จะอยู่ได้เป็นพันปีหมื่นปีมันก็อยู่ที่อายุของสิ่งสิ่งนั้นถ้ามนุษย์ก็ประมาณร้อยปีบางคนอาจจะมากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยแต่เป็นหินเป็นปูนเป็นอิฐเหล็กพวกนี้อาจจะอยู่ได้เป็น สองสมร้ยปีหรือพันปีกูบวกลบนิดหน่อยตามแต่เงื่อนไขของสภาวะสิ่งแวดลอ้อมมีอายุของเขาหินก็มีอายุของหินเหล็กก็มีอายุของเหล็กดินน้ำไฟพวกนี้มีอายุของเก่าของเก่าที่จะพออยู่ได้ที่จะตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาไม่ได้จะยั่งยืนคงทนถาวรไม่ได้เป็นอย่งงางนั้นไปตลอด คือเป็นนิชิโบไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อยู่ชั่วคราวตามเงื่อนไขปัจจัยแล้วทำไมมันถึง ม, มาอย่างนี้มันก็ตามธรรมชาติของมันปรุงแต่งมาอย่างนี้เป็นทาตุ ม, มัตะโกด้วยความเป็นธาตุของมันธาตุน้ำมันก็เหลวเป็นธรรมชาติที่ไหลไปได้ธาลมเกิดประกอบกันมาอย่างนี้ก็เป็นของพัดไปพัดมาธาตุดินก็เป็ น, นของเก็นแข็ง ถาดไฟก็เป็นความร้อนธาตุอย่างอื่นก็มีนะเช่นถาดรูถาดช่องบ้างประกอบกันแล้วมันก็จะมี property มีคุณสมบัติของเันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นไฮโดรเจนสองอะตอมมารวมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมต่างเป็นก๊าซเอากลายเป็นของเหลวจากถาดลมก็กลายเป็นถาดน้ำเออมันกลับเปลี่ยนแปลงได้คุณสมบัิลดลงหน่อยเมันกลายเป็นของแข็ง เป็นน้ำแข็งได้คือธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้ใครดีไซน์มานะคือมันเป็นทาตูมาตะโกเป็นธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้รูปแต่งกันมาแล้วกลายเป็นเสื้อผ้ากับเรื่องนุ่งหม่มอาหารยา ร, ารักษาโรคปัจจัยะสีแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงระดับโมเลกุลที่มันเป็นระดับอะตอมของมันนี่ถ้าเราใช้กล้องจุลทัศชนิดที่เป็นัอะตอมอีกสองดู ถ้าลูกเไปจนถึงเซลล์ถึงโมลเลกุลจนถึงอะตอมนิวเคลียสอิ เ, เล็กตรอนพวกนี้ก็จะมีแต่ช่องว่างอยู่เต็มไปหมดระยะทางระหว่างนิวเคลียสจนไปถึงอิเล็กตรอนที่ว่าระบุถึงขนาดอะตอมได้ระยะทางที่ตรงเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่องว่างใตัว่างแล้วามันถึงว่างละ่ะแล้วจุดที่มันเป็นแน่นกันอยู่นี่คือจุดที่มันเป็นนิวเคลียสเล็กนิดเดียว แค่สองสปเซของเนื้อที่ทั้งหมดที่เหลือเป็นช่องว่าง้แต่พอมองออกมาข้างนอกมันใหญ่ขึ้นเป็นขนาดอะตอมก็เป็นขนาดโมเลกุลก็มันใหญ่ๆขึ้นมาแต่ข้างใ น, นมันกลวงไงว่างเปล่าเขาจึงเรียกเป็นศูนย์โหนงนะเพื่อนฝางว่างเปล่าจากความหมายอะไรๆที่พอเราจะเจาะลงไปถึงระดับอะตอมเข้าไปถึงควักแล้วน้ําอยู่ไหนเอออาหารอยู่ไหนเครื่องนุ่งห่มอยู่ไหนเสื้อผ้าละ่ะยาละ่ะ ออมันไม่ได้เป็นพวกนั้นแล้วเข้าใจมันกลวงแล้วว่างแล้วเหมือนกันออแล้วที่เราเอามากินเอามาใช้นี่มันอะไรนี่คือมันหายไปหมดแล้วไงมันว่างเปล่าไปแล้วเจาะลึกลงไปเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรแล้วที่ไม่มีอะไรมันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือเราสร้างมาเฉยๆสมมุติขึ้นเฉยๆสร้างมาสมมุติขึ้นมาจากความไม่มีอะไรนี่แหละก็เรียกว่าหลอกตัวเองไง ก็พูดดีหน่อยก็สมมุติไงให้ว่าอย่าลอกตัวเองเลยพูดว่าเป็นของสมมุติก็แล้วกันเออมันมีสมมุติโลกไงสมมติโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอทุกฝังเชในสมัยกลางหญิงที่ทุวมๆนี่ก็ออสุขภาพดีสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะใครทุ้มๆนี่ถือว่าสุขภาพไม่ดีต้องหุ่นสเลนๆลนต้องเอลเอสนี่กล้านต้องซีกแป๊นี่มันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตามยุคสมัย ที่ปรุงแต่งกันมาแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวนะแม้แต่ธรรมชาติที่อาศัยปรุงแต่งกันมาแล้วเนี่ยเป็นอวัยวะขึ้นมานี่ยทำงานกันนี่มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราก็สมมติเรียกกันเฉยๆอันนี้นะถ้าเกิดจากพ่อนี้แม่นีนในตัวเราใช่ไหมปรุงแต่งมาจากพ่อและแม่นี่สิ่งนั้นก็มีการปรุงแต่งของเขามาอีก เอาประกอบกันแล้วก็ใช้นามสกุลนี้แต่มีอวัยวะนี่ก็เรียกว่าชายมีอวัยวะนี่ก็เรียกว่าหญิงถ้าชายก็เรียกว่าเด็กชายหญิงก็เด็กเด็กหญิงมีลหลายๆคนก็ต้องตั้งชื่อให้ว่านี่เด็กหญิงขาวนี่เด็กชายดำชื่อเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช่แค่ขาวดำนะมันโอ้บาติก็ชื่อยาวเรียอไม่ถูกอันนี้ก็สมมุติขึ้นมาเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมชาติ ที่เราจะสมุติคิดค้นปรุงแต่งกันขึ้นมาสมองเราทำงานอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเซลล์ที่มาอยู่รวมกันเป็นเครือข่ายมันก็จะมีความคิดมีครมชงกันมาให้เราได้มีอยัยตนะร่างกายแบบนี้พูดอย่างนี้ได้ปรุงแต่งอย่างนี้ออกมาได้ตามเงื่อนไขเจะ้ะลงไปดูอีกทีเวลาที่เราปาดสิ่งของผาพลไม้อะไรนี่บาีเป น, นครั้งเดียวไม่ออก ต้องซ้ำลงไปซ้ำลงไปปาดลงไปเหมือนปาดหมูนี่แหละปาดลงไปเหมือนหั่นแตงกวานี่แหละซ้ำลงไปซ้ำลงไปมันจะขาดได้เราวิจารณาดูอีกทีหนึ่งไล่มาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นท้าไปเลยทั้งหมดที่ว่าสมมุติเป็นนายนี้นางนี้นางสาวนี้เด็กชายเด็กหญิงนี่เกิดจากพ่อนี้และแม่นี้ ร่างกายของเราถูกบำรุงเลี้ยงมาด้วยอาหารปัจจัยสี่ต่างๆโตขึ้นมาข้างในเป็นองค์ประกอบรับรู้สิ่งต่างๆเห็นภาพได้ยินเสียงมีระบบประสาทระบบเลือดระบบเน้อเหลืองระบบอวัยวะหายใจกล้ามเนื้อมันต้องทำงานสอดคล้องกันระบบอาหารทำงานไม่สอดคล้องกับระบบกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ระบบประสาทก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกับระบบเลือด และก็ระบบหายใจต้องไปด้วยกันให้ที่มันทำงานด้วยกันนั่มันเป็นอวัยวะสื่อสารผ่านทางระบบโฮอร์โมนบ้างระบบเลือดบ้างระบบประสาทบ้างแยกต่อไปกันไหนก็เป็นเซลล์เจาะลงไปก็เป็นโมเลกุลโมเลกุลกันไหนก็เป็นอะตอมเป็นช่องว่างทะลุลงไปทะลุลงไปย้อนออกมาทะลุเข้าไปอีกให้เราพิจารณาซ้ำไปซ้ำมา เมันเป็นตัวตนได้ไงซ้ำไปส้ำมาดูคือมันจะไม่เป็นตัวตนเ ง, งียทุกฝั่งมันไม่ใช่พิจารณาซ้ำไปซ้ำมาใช้เกิดปัญญาได้การพิจารณาแบบเนี้ยคือการพิจารณาตามแนวทางของอริยสัจสีตามแนวทางของมักมีองค์8ตามความจริงที่ปรากฏขึ้นถึงจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตระ ปัญญาขั้นโลกุตระหมายถึงปัญญาที่เราพิจารณาตามปริยสัตว์สี่แล้วจะพบว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวตวนนะเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นของอยู่มาตามธรรมชาติแล้วอย่างนี้แล้วไงว่างดีครับจะรออะไรสิ่งไหนไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปยืดถือได้ยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่จะคงทนถาวรมั่นคงยั่งยืน อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันคือทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สุขนะทุกข์มันคือของที่ตนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปจะไปหาความสุขจากสิ่งที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มันจอมปลอมมันเป็นของหลวงเฉยๆมันมาหลอกเราไว้นิดหน่อยมีชั่วคราวชั่วคราวก็ไม่เกินร้อยปีที่เราจะมาหาความสุขจากร่างกายนี้ หลายทยี่ร้อยปีเนะี่ยมันก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดด้วยนะเด็กคนไหนมันเกิดมาจนแก่เนี่ยมันไม่ร้องไห้บ้างมันไม่มีคนแก่คนไหนไม่ได้ตายบ้างตอนตายเนี่ยตอนตอนทันก็ต้องตายนี่ใช่ปะล่ะมันจึงจะมาหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจึงไม่ได้เจะบอกว่าไม่ได้เลยปลอบใจตัวเองหน่อยคือได้น้อยได้น้อยก็คือไม่ได้แล้วแหละจะมาหาความเป็นตัวตนจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันไม่ได้ ทำไงปล่อยวางดิปล่อยวางอย่าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนอย่าไปยึดถือว่าสิ่งนี้สุขอย่าไปยึดถือว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้แน่นอนเป็นนิสสตโตไม่ใช่เป็นตัวตนเพราะมีอินทรีย์คือชีวิตแต่ไม่ใช่นิชีโวคือไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนแต่เป็นสุญโยคือเป็นความว่างเปล่า วางความยึดถือในสิ่งเหล่านี้เสียในใจของเราเสียตั้งสติวโยลมเท่านั้นให้เราพิจารณาเห็นอยู่ทั้งวันถ้าเหนื่อยแล้วก็อยู่กับลมตั้งสติไว้จะทํางานทําอะไรเดินทางที่ไหนให้นำวางรักษาสติรักษาปัญญาของเรานี้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น คือการปฏิบัติสมาธิภาวนาในช่วงของจิตตปิเบกเป็นเรื่องของการพิจารณาธาตุสีปัจจัยสให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนให้เกิดปัญญาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนอบรมผ่านต่อกันมาปัญญาใดที่ท่านได้สั่งสมไว้จะไม่เกิดมีท่านผ่านต่อมาทางคำสอนเหล่านี้ ถ้าเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนหนึ่งปัญญานั้นได้รับพลังความเปลี่ยนนั้นเป็นผู้มีกำลังใจในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ให้พ้นจากภายในวัฏฏะได้ให้ถึงความสุขกเกษมได้ในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันอัคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเชา้าทังสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและกระจายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลิธีปัญญาภาวนากับพระมหาไพาบูรณ์พิปุณโท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org ระบบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญผ่น